ช่วงแรกเนี่ยยูถือเป็นชนชั้นสองในสังคมอียิปต์ซึ่งชาวอียิปต์ในยุคนั้นก็คือดูถูกดูแคลนแล้วก็ทาไม่ดีสารพัดแต่พอท่านอบีมูซาริสลาดุสซาลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาแต่งแต่งตั้งมาให้ไปคุยกับฟาโร่พอไปคุยกับฟาโร่ก็เลยยิ่งทรมานยิ่งลงโทษนะ่ะชาวน ย, ยูในยุคนั้นครับบางคนก็บอกว่ า, นาเนี่ยมูซาเนี่ยก่อนเรามาก่อนที่เจ้าจะมาหาเรา เราก็ถูกทำร้ายพอเจ้ามาหาเราเราเป็นมุสลิมเราก็ยังถูกทำร้ายอยู่ฉันเป็นมุสลิมไปทำไมเลยไงเหมือนกับมุสลิมเราในปัจจุบันบางท่านบางท่านพาดเหมือนกันคือพอเราทดสอบมากๆปุ๊บเริ่มคิดว่าฉันไม่น่าเป็นมุสลิมเลยเป็นมุสลิมกินหมูก็ไม่ได้กินเหล้าก็ไม่ได้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้บางทีจะผ่านรถนี่คือปวดหัวเลย ทุกสิ่งทังนี้ก็ได้โดเช็คใหม่โอเคเราได้ครับเราด้งั้นหมายความว่าถ้าเกิดมีคนถามว่าทําไมเป็นมุสลิมแล้วทําไมาล้อพระเจ้าคุณไม่ช่วยคุณเลยทําไมคุณเดือดร้อนทําไมคุณยังแย่อยู่เราก็ตอบเลยว่าคําตอบที่ผมแนะนําคําตอบที่ชัดเจนที่สุดเพราะมุสลิมเราเชื่อมั่นว่าโลกนี้คือห้องสอบเมื่อคุณเข้าห้องสอบมา คุณก็ต้องเจอข้อสอบมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเข้าห้องสอบแล้วจะหลับสบายได้หรือมันเป็นไปไม่ได้คือมุสลิมเราเชื่อมั่นว่าโลกดุนยาทั้งหมดคือห้องสอบเมื่อเรามาเกิดก็เท่ากับว่าเราพร้อมที่จะรับบททดสอบยิ่งเราเป็นมุสลิมยิ่งเราประกาศกับอัลลอ์ว่าฉันอยากจะทำให้พระองค์พอใจฉันนะ ก็ต้องทดสอบดูว่าเราผู้ควรกับการที่จะเป็นแาวที่ดีของโลกหรือเปล่าจะได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนเพราะงั้นจะรู้ได้เไงว่าใครดีจริงไม่ดีจริงอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นมุสลิมแล้วสบายหมดเลยคนทั้นโลกก็เป็นมุสลิมหมดสิโอเป็นมุสลิมว่าสบายเพราะนั้นยิ่มีบททดสอบเยอะยิ่งเป็นมุสลิมที่มีบททดสอบเยอะเพราะงนันบาคนถามแล้วมันมีข้อดีตรงไหนข้อดีประการแรกประการแรกมุสลิมเราจะมีกำลังใจ ในการใช้ชีวิตมากกว่าคนทุกคนบนโลกอันนี้คือข้อดีของการเป็นมุสลิมข้อที่หนึ่งเลยเราจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากกว่าคนทางโลกถ้าเรามองแบบที่มุสลิมถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าฉันเศร้าฉันท้อ<ม> ฉ, ฉ, ฉันท้อแท้อะไรก็ตามแต่ให้ดูว่าเรามองชีวิตแบบที่มุสลิมควรมองหรือเปล่าถ้าเรามองชีวิตแบบที่มุสลิมควรมอง เราจะเป็นกลุ่มชนที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดบนโลกเพราะอะไรครับท่านอะบีวัซเซอร์บอกว่ามุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่น่าประทับใจอะไรก็ตามมาเจอกับเขาเขาก็จะได้แต่สิ่งที่ดีเวลาเขาได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาชอบเขาก็ขอบคุณอัลละ์มีความสุขไหมครับมีความสุขขอบคุณอัลลอฮ์ก็ยังมีความสุขอัลลอฮ์ก็รักเขามากขึ้น إيمان แล้วก็มั่นใจว่าอารรรยากันชันมากที่สุดแล้วเมื่อใดก็ตามที่สิ่งไม่ดีมาเจอกับเราเราก็จะอดทนเพราะมุสลิมเราไม่มีคําว่าฝืนทนเพราะถ้าคนไม่ใช่มุสลิมน่ยบางครั้งเขาไม่รู้ว่าทำไมชีวิตเขาต้องทนถูกไหมครับคือบางทีฝืนทนแบบสังกรตายบางคนแบบว่าช่้างมันเถอะชีวิตจะทำอะไรไม่ได้แล้วแต่มุสลิมไม่มีคําว่าฝืนทนเพราะเรามั่นใจว่าทุกความอด ทนที่เราอดทนอัลลอฮ์คือผู้ตอบแทนไม่มีคําว่าสุนเปาเพราะในชีวิตเราไม่มีคําว่าช่างมันหรือไม่มีคําว่าปล่อยวางจนแล้วรู้จะทำอะไรได้แล้วก็ช่างมันปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามที่ไปมุสลิมไม่คิดอย่างนัน้เพราะถ้าสิ่งไม่ดีไปรกระสุกับเราเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ทดสอบแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อดีของการเป็นมุสลิม เราจะเป็นบุ่คนที่มีความเข้มแข็งได้จรเจามากสีลกอันที่สองในการเป็นมุสลิมเรามั่นใจได้เลยว่าถ้าเราศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงทุกอุปสรรคที่ดูเหมือนจะเป็นทางตันแค่ไหนก็ตามมันมีทางออกแน่นอนอันนี้ต้องเป็นมุสลิมที่ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะคิดได้แต่เราบอกไองครับมัยัตะกินและฮัยยะจันละหูมะคาราชะใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง เอาแล้จะให้ทางออกเขาไนี่งผมไม่รู้แต่ท่านเคยเจอหรือเปล่าผมส่วนตัวเองเน่ะเคยเจอมาสองสามเรื่องแล้วในประสบการณ์ชีวิตเนี่ยที่แบบว่ามันไปจะถึงทางที่ผมรู้สึกว่าเป็นทางตันของชีวิตคือผมรู้สึกว่ามันผมมองไม่เห็นทางออกแล้วคือขอด้วงอาจายว่ า, าลแล้วก็ไม่เห็นทางออกทุกมันจะออกทางไหนอน่ยคือคิดคิดสารพัดเลยครับคือมันไม่มีแน่แน่อะไรประมาณเนี้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกแล้วผลสุดท้ายเอาแล้ไม่ผ่าไป เราแล้วกไปผ่านไปได้กับทางออกที่แบบคิดไม่ถึงว่าเออทางออกอย่างนี้ก็มีเลยนะเพราะฉะนั้นมุสลิมถามว่าการอิสลามมันดีตรงไหนโดนทดสอบหนักขึ้นไม่ใช่เหรอเราบอกว่าจริงอยู่บททดสอบบางอย่างอาจจะหนักขึ้นอย่างบางทีเราเข้าสังค ม, มถ้าเกิดเป็นสายองการเป็นบางทีเขาไม่เข้าใจเรามุสลิมะบางทีภูมยิยากบางทีอาจจะโดนถามขั้นเบานี่คือโดนถามแรงกว่านั้นนี่คือจะมีเน็ตแรงกว่านั้นนี่คือชีหน้าด่าเลย แต่พ่อสองข้อที่ผมบอกนะครับข้อแรกก็คือเรามีกำลังใจที่แข็งแรงขึ้นมาเป็นมุสลิมข้อที่สองเรามั่นใจว่าทุกขทดสอบที่เราเลาะให้เนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ทดสอบเอาลาจะให้ทางออกแน่นอนเหมือนกับท่านหญิงมาริมที่ว่าตั้งคันโดยไม่มีพอ่อคือคิดว่าคงไม่มีทางออกแล้วชีวิตคือมันตันหมดแล้วเขาต้อให้ทางออกถ้าทางออกแบบทางตันจริงๆเลยเนี่ยกลุ่มของยิวกลุ่มยิวของเบีมูซา ไปถึงทะเลทางตันชัวๆขนาดทะเลเอ่อนจะให้แยกได้ที่ดูครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีคําว่าทางตันสําหรับอ่อนทุกทางมันมีทางออกเพียงแต่ว่าเราจะผ่านปัญหาของอ่อบปวดท้ออ่อนในสภาพที่อ่อนรักเราหรืออ่อเกลียดเรามีแค่สองทางเลือกมีแค่สองทางเลือกมุสติมมีแค่สอทางเลือกทุกปวดท้อ เราจะผ่านไปได้มีแค่สองทางเลือกผ่านไปโดยอัลลอ์รักเรามากทุติมาเพิ่มขึ้นหรือผ่านไปโดยที่อิหม่าเราโลภลงอัลลอฮ์รักเราน้อยลงหรืออาจจะถึงขั้นเกลียดเราเลยก็ได้อันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสาคัญมากกว่น้หลังจากที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลมิลลอรอหมนรฮมในความเมตตาของ Allah เราหวังทั้งสองอย่าง หวังทั้งในส่วนที่เราไม่คู้ควรในดิญญาเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไม่คู้ควรเราก็ขอให้ได้แล้วก็หวังทั้งสิ่งที่อัลลอฮฺจะเมตตาเราเป็นพิเศษในโลกหน้าเริ่มตั้งแต่ตอนเสียชีวิตเพราะตอนเสียชีวิตเนี่ยต้องรู้มาแล้วว่าบั้นปายเราจะไปไหนเพราะมาเลก้าที่จะมาเก็บวิญญาณมีแค่สองกลุ่มเท่านั้นไม่มีกลุ่มที่สามมีแค่สองกลุ่มกลุ่มแรกมราเลก้าที่ว่ากลุ่มที่มาเก็บวิญญาณคนเดียจะมาเก็บวิญญาณอย่างเรียบง่าย กลุ่ที่สองคือมาเก็บวิญญาณของคนชั่วก็คือจะมากระชากวิญญาณออกไปเราจะรู้ตอนนั้นซึ่งตอนที่เรารู้เราบอกใครไม่ได้แล้วเพราะมันจบแล้วคือมันได้เวลาออกห้องสอบคือตอนเนี้ยดึงยาคือห้องสอบเมื่อเราเกิดก็เหมือนกับเราเปิดประตูห้องเข้ามาเหมือนที่เราเปิดรูเข้ามาเนี่ะเข้ามาในห้องแล้วทีนี้ก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่จะเลิกพอเลิกปุ๊บ ก, ก็คือประตูเปิดเราเดินออกไปก็คื อ, ม, อามาได้แกมาพาเราไป ไม่พาไปดีๆก็กระชาตออกไปรู้แต่ตอนนั้นเปรความเมตตาแต่เอาล่ะเราหวังตั้งแต่ตอนที่เราเสียชีวิตคนเราก่อนที่จะตายอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับมีใครรู้บ้างสิ่งที่น่ากลัวน่าสะพรึงกลัวที่สุดสำหรับมุสลิมบนดินยาใครรู้บ้างว่าเพืออะไรท่านอาดีเตือนไว้ด้วยสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสาหรับมุสลิมทุกคน แล้วท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานขออัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากมันแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งเตือนให้เราระวังจากมันคือความมึนเมาก่อนที่จะตายภาษาอับเรียกว่าซักรอตุมเมาหมายความว่าตามปกติแล้วคนทุกคนก่อนจะตายจะพบกับความทรมานแสนสาหัสที่ยากไม่มีทางรับรู้ยากจะไม่มีทางรับรู้คือยากก็อาจจะเห็นเหมือนกับเรานอนธรรมดานั่นแหละแต่มันเป็นความทรมานแสนสาหัส เราเล่าเ ก, ก่าในพระอ่านหน้าใบจ้าสักระตุ้มตบิทักเดินเขามาพุนตามินคุณตาอิทธิความมึนเมาของความตายจะมาหาเจ้าอย่างแน่นอนและนั่นคือสิ่งที่เจ้าพยายามจะหนีห่างจากมันพยายามจะลืมถึงไปเพราะนั่นก็ขอความใม้ตาเจ้ารอให้มตาเราตอนที่ความมึนเมาของความตายมันมาเจอกับเราเราเคยไม่สบายหนักๆไหมครับที่แบบว่าพอลุกแล้วมันมึนแบบใครพูดอะไรบางทีถึงขั้นบอกว่าเราจําคนข้างๆไม่ได้อ่ะ คือมันหนักจนมันเบอร์ขนาดนั้นความทรมานของความตายมันหนักยิ่งกว่านั้นแล้วจุดนั้นจะเป็นจุดสุดท้ายที่พิสูจน์และบทสรุปของชีวิตเราคนเราถ้าถือว่าตลอดชีวิตเราคุ้คี่กับอะไรมาตลอดชีวิตให้ความสําคัญกับอะไรมาตลอดชีวิตช่วงสุดท้ายจะไปโบวต่อนไห น, นจะไปเป็นบทสรุปเื่อ น้องซูบิลล่าครับขอรับคุณครอะเราได้ผลจากสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนู้ผมเคยเจอหนึ่งในมายิดหนึ่งในคนตายผู้ตายคนหนึ่งเนี่ยก่อนเสียชีวิตมีคนที่ว่าพยายามจะไปสอนไกลแมเพราะอย่างที่เรารู้ใครพูดไกลแมเป็นประโยคสุดท้ายได้เข้าสวรรค์วใช่ไหมครับมันมันแก้หน้าอายคูก่กะลามีอะไรเนาะแต่ผมเจอนะใครที่คําพูดสุดท้ายของเขาคือแ ล, ลอดด้วเราจะเข้าสวรรค์ไม่ได้แล้วครับผมเจอมายิดหนึ่งครับที่ว่ามีคนพยายามไปสอนชาดนะตอนสอนเขาก็พูด ไล่แล้ววะมอดูสูงวะพอพูดเสรจปุ๊บเขาก็พูดถึงแต่หละกของเขาเนี่ยหลานใชนไหมฉันเป็นห่วงเหลือเกินเดีช่วยดูแลมันดีดีนะช่วยอย่างเงี้ยดีนะช่วยอย่างนี้ดีนะหน้าที่ของคนอยู่ใกล้ๆก็ต้องสอนใหม่เพราะต้องให้การิมาเนี่ยเป็นคําสุดท้ายจริงๆต้องไม่มีคําพูดอื่นหลังจากนั้นก็ไปสอนใหม่เขาก็พูดใหม่แล้วก็กลับมาพูด่องหลังต่อแล้วก็น็อกไปเลยแล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้น โดยที่การีมาไม่ใช่คำที่สุดท้ายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนครับไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ใช้คำที่สุดท้ายก็เป็นเพราะ ว, ว่าคนที่อยู่รอบข้างต้องเข้าใจด้วยต้องเข้าใจด้วยครับไม่ใช่มันมปล่อยให้คนที่จะเสียชีวิตพูดไปเรื่อยๆต้องย้ําเลยว่าขอให้เป็นคำสุดท้ายเป็นคำสุดท้ายคือถเกิดเขาพูดเป็นคำสุท้ายแล้วไม่ต้องไปเซอร์ซีก็อาจจะเปิดกุหาบให้เขาฟังอาจารย์ปด้ญาติก็ไม่เข้าใจนะครับอย่างคนเขาจะเสียแล้วเนี่ยคุยนั่นคุยนี่มาอยู่ด้วยมันเขาก็เลยเฉไปเลย เราแทนที่เขาจะนึกถึงลายเราเห็นเราเรขาก็เฉยตามที่ญากไปพูดเหมือนเก๋ว่าจะไปอันนั้นคือคือเหมือนกับจะปลอบใจอ่ะแต่การปลอบใจเวลานั้นมันไม่ใช่ล่ะมันเหมือนกับเราจะเฉยวก็ออกจากลายเราไปละอะไรประมาณนี้ครับคใช่ครับเะ้ ก่อนว่าจากเาให้เอาลอเมตตาเราในช่วสุดท้ายของชีวิตก็คือถ้าสักกรุม่ามาวม่ขอให้เราผานพ้นมันไปได้นในสภาพผู้ศรัทธาแล้วก็ตอนที่เราเสียชีวิตขอให้เราได้กล่าวการิมาสเป็นคำสุดท้ายแล้วการที่มเก็บวิญญาของเราไปเป็นบริการที่มาเก็บวิญญ า, น า, านคนที่ดีแล้วก็ขอให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ปเราลอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกม่ไ่จะเป็นขั้นตอนหนก็รครับอันนี้คืออร ไปตั้งแต่อ่านมาค่ะตอนแรกบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาหราะห์ินด้วยนามอัลลอฮ์ผู้ที่เมตตาสรรพสิ่งผู้ที่เมตตาแต่ผู้ศรัทธาทุกการขอบคุณทุกการสรรเสริญนั้นผู้ที่ผู้ควรกับมันมากที่สุดคืออัลลอฮ์ผู้บริหารทุกสรรพสิ่งผู้ที่เมตตาทุกสรรพสิ่งผู้ที่เมตตาผู้ศรัทธาอันนี้ปีเรามาสามาัญละหลังจากที่เราพูดถึงสามาัญพูดถึงความเมตตาความยิ่งใหญ่การดูแลของอัลลอฮ์อายะที่สี่ อายะที่สี่เป็นอายะที่ว่าดึงสติผู้ศรัทธาให้ได้คิดคือบางคนอาจจะคิดว่าเอาอแล้วตาเอาอแล้วใจดีไม่ปไปเลยฉันทาอะไรเต็มที่พอมีอายะที่สี่ปุ๊บเออแล้วบอกไงครับมาลิกเกียวมิจีนใช่ไหมครับมาลิกแปลว่าอะไรครับกษัตริย์หรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์อันชอบทำอยากเต็มที่มาลิกเกี่ยวมิจีน อลัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์อย่างแท้จริงในวันแห่งการตัดสินพอที่ตรงนี้ปุ๊บมุสลิมเรจะเริ่มตื่นสติได้ละมันมีเรื่องของโลกหน้าดุนยาบางครั้งเราทุกคนนะครับทุกคนผมเป็นคนแรกเวลาเราอยู่กับดุนยามากๆแล้วก็จะพูดีกับดุนยาก็จะรู้สึกว่าลืมไปว่าโลกหน้ามัน แต่เพราะอ่านฟาติฮ์ด้วยความตั้งใจเนี่ยมาลิเกียวมิดีนเออนีในโลกนี้อาจจะมีคนมีอำนาจเยอะใช่ไหมครับอาจจะมีกษัตริย์หลายประเทศอังกฤษก็มีกษัตริย์ผู้ปกครองมีเยอะแยะหลายที่จะไม่หมดผู้ปกครองแต่ละประเทศก็ตัดสินไปตามที่เขาเห็นว่ามันถูกต้องบางคนก็อาจจะบอกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ยกโทษไปบางคนเลยบอกนี่เรื่องใหญ่ยกยอมให้ไม่ได้แต่ละการปกครองก็แตกต่างกัน แต่เมื่อไปถึงเวลาโลกหน้าที่อลัลลอฮ์บอกย้ําก็คือว่าโลกนี้อาจจะมีกษัตริย์มากมายแต่โลกหน้าทุกคนจะกลับไปมีสถานะเดียวกันก็คือบาปของอลัลลอฮ์ที่จะต้องโดนสอบสวนทุกคนต่อให้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้านายของเราเป็นลูกน้องเราใครก็ตามถึงเวลาโลกหน้าปุ๊บสถานะเท่าเทียมกันหมดแล้วคนที่จะตัดสินมีเพียงอลัลลอฮ์องเดียวซึ่งอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ ไม่หลลืมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสองคนใลักษณะนี้น่าัวที่สุดแล้วสําหรับบ่าวที่ เ, นเรนรพลตอบว่าเพราะถ้าอล้อไม่หลงลืมก็คือต่อให้เราลืมไปแล้วออลล้อมไม่มีวันลืมความผิดไหนก็ตามที่เราทำออลล้อมไม่มีวันลืมแล้วเรื่องความที่ออลล้อมรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เราไปแอบทําลับหลังใครก็ตามบางครั้งมุสลิมเราผมก็ถมุสลิมเลยตัวผมแล้วก็มุสลิมพี่น้องบ้านท่านเนี่ย เราชอบหมอหมอกับบางทแบบบางทีที่เกียดเออไม่เป็นไรฉันยังไม่ละหมาดแล้วกันเดี๋ยวค่อยรอไปละหมาดทีเดียวแล้วเมตตาอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเพราบางทีจะคิดเลขคนทางศาสนาขึ้นมาเยอะๆอย่างเลขคนบางคนที่แบบว่าจะดูเป็นเลขคนที่น่าเกียดหน่อยอย่างบางคนมีสมมติว่าอันนี้ที่เกิดขึ้นจากการใต้นะครับจะมีพี่น้องแากใต้บางที่ เขาจะรว ม, มลอกกล <c oughs> มุ่มกันหลอกกันล้อเหลือกลุ่มกันหลอกกันล้อยังไงครับยังไงผมพูดแค่บางส่วนส่วนน้อยนะครับไม่ได้พูดถึงส่วนมากไม่ได้เจาะจงที่ไหนด้วยสมมุติว่าผู้ตายเนี่ยมีนีิสิตอยู่สักหนึ่งล้านไม่ได้จ่ายส ก, กัดอย่างนั้นบาเป็นนี้สิตต่อร้อยวายิบต้องจ่ายถึงเวลาครับญาติของผู้ตายเนี่ยจะเอาเงินไปให้กับคนที่ร่วมทำํำขบวนการของเขาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนที่อ้างว่าเป็นอิมามบ้างเป็นผู้รู้หรือใครก็ตามแต่ ญาติเอาเงินไปให้คนคนนั้นหนึ่งแสนแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันขอใช้หนี้ของคนตายที่ไม่ได้จ่ายหน้างานขอจ่ายกันแสนหนึ่งคนคนนั้นก็รับพอรับเสร็จปุ๊บ ก, ก็บอกว่าฉันไม่หนึ่งแสนเนี่ยฉันให้เป็นของขวอนเธอแล้วกันยังนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละคนแรกเอาแสนมาให้อย่าะคนนี้รับบอกฉันให้คืนเธอไปคนนี้ก็บอกว่ า, างั้นผมขอจ่ายบริจาคในส่วนแสงที่สองพอรับปุ๊บแล้วก็บอกว่าโอเค ผมขอให้ดียวากับเธอวนไปวนมาวนไปวนม า, นมาครบสิบรอบหนึ่งล้านพอดีพอครบหนึ 1, 000, ่งล้านปุ๊บหนึ่งแสนเอาคืนคนที่ให้แล้วก็บอกว่าเสียคอรหนึ่งพันถือเป็นค่าใช้จ่ายในการอะไรนะคร <laughs> สนิน <laughs> ผมไม่รู้ผมจะพูด้ดี <laughs> แต่คือเราจะวิละคือลึกๆในใจผมว่าใครก็ตามที่ฟังนะครับใครก็ตามที่ได้ยินเนี่ย มีใครรับได้ไหมแต่แล้วถึงจุดๆนั้นให้ถือว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่อะครับความรอดจะบางตาถูกไหมครับคือแบบคนตายมีมรดกอยู่สมมติห้าล้านถ้าจ่ายไปสองล้านนี่มันก้อนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีคนไปบอกว่าทําอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ชั้นสองพันก็พอคิดว่ามีคนเลือกจะทํานี้ไหมครับเพราะมันมันก้อนใหญ่คือถ้าเกิดเงินมันก้อนน้อยนี่แบบว่าฉันยังมีอหมมานได้อยู่ ลูกศิษย์บางคจะดทดสอบเวลาที่มันเป็นเงินที่มันก้อนใหญ่ขึ้นเราจะพบว่าคนที่ว่าบางทีโกงมรดกเลยก็มีแบบผมเจอจะมีพี่น้องที่ว่ามาปรึกษาเรื่องมรดกอย่างที่เรารู้คือเรากําหนดเรื่องมรดกไว้มมชัดเจนแต่ถึงเวลาพวกบางทีพี่คนโตวัจจะยึดไปหมดแล้วก็ให้เป็นเศษเงินให้กับคนน้องหรือว่าอะไรก็ตามแต่รูปแบบต่างๆขอย้าําว่าโดยเฉพาะภาคเหนือเราขออย่ามาเรืะภาคเหนือภาคเหนือเรา <c oughs> น้อยเหลือเกินที่ผมได้ยินว่ามีการแ บ, บ่งตามมรดกอิสลามตน้อยมากมีมีครับ ม, มีการถึงตัวแล้วแบ่งตมแบบอิสลามแต่ว้านน้อยมากน้อยาผมก็อยากลงมือ ล, ลนสี้เนี่ยเราพูดถึงเขว่ามาลิกี่ยวมิตีนอัลลอฮ์คือผู้ที่มีสิทธิ์อย่างแท้จริงในวันแห่งการตัดสินสุพานอัลลอฮ์ในคุรร่านคําทุกคําที่อัลลอฮ์ใช้ไม่มีคําไร้สาระนะครับทุกคํามีเป้าหมายมีประเด็น วันแห่งการตัดสินในฟาติฮะอลัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรครับยาวมิตรดีนดินแปลว่าศาสนาวันแห่งศาสนาทําไมอลัลลอฮ์ถึงใช้คํานี้วันลอยไว้เร า, า, เราแต่ถ้าเรามาคิดดูประเด็นของการใช้คําว่าวันแห่งศาสนาเนี่ยเพราะว่าในวันเนี่ยที่อลัลลอฮ์จะตัดสินเพราะเราเป็นมาลิคถูกไหมครับมาลิคคือผู้พอผู้ตัดสินผู้ครอบคองก็เป็นผู้ตัดสินอลัลลอฮ์จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ของ ศาสนาแล้วศาสนาที่เราจะให้เกณ์นั้นมีศาสนาเดียวเท่านั้นคืออัลอิสลามอินนตีเนอโลยสลาหมายความว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริงในวันที่องค์จะตัดสินบาปของพระองโดยเกณฑ์ผ่านมีเพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้นคือต้องเป็นมุสลิมตามที่อัลลอฮ์สั่งไว้เกณฑ์เดียว ตลอดีวคุณจะเป็นคนดีมากจะบริจาคจะเป็นคนสมถะจะเป็นคนไม่ดุยด่าว่าใครก็ตามถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขข้อแรกคือการเป็นมุสลิมซูนว่ามาอาหมิลูมินอมบลินฟะจัลนะฮุฮะบะอัมมัณซูร์อัลลอฮฺพูดชัดเจนเลยว่าสิ่งใดก็ตามที่เขาเคยทำมาในทุกๆการงานที่เขาทําอัลลอฮฺพูดถึงผู้ปฏิเสธว่ามาอามิลูมินอมบลินทุกการงานที่เขาทํานั้น จะนาหัวบาอมังตัวเราเราจะทำให้มันเป็นเหมือนกับฝุน่นที่ฟุงกระจายเหมือนจะมีเยอะแต่จับต้องได้ไหมครับไม่ได้จับเป็นกขอบเป็นกรรมไม่ได้แล้วเวลาฝุน่นช่วงที่ผ่านมานะครับหน้าร้อนเดี๋ยวหน้าร้อนปีหน้าก็เตรียมตกันต่อฝุน่นเยอะมากแต่ว่าจับต้องอะไรไม่ได้คือมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเสี่ยเล็กก็บอกว่าถ้าไม่มีเงื่อไขข้อแรกนะถ้าไม่ใช่มุสลิมนะ ที่เหลือไมีมประโยชน์ก็คือมอนกับที่อาจารย์รพูดเมื่อวานี้เรื่องของตาหินใช่หครับเงื่อนไขข้อแรกเง่จะรับคือการสัภาคือการสัภาซึ่งเงื่อนไขก็ตามที่พูดไปมาลิเกียวมิดดินหลังจากที่ผ่านไปลีอายะนะครับอัลล์ได้ให้เราพูดต่อว่าไงครับตอนละหมากขอาหลังจากที่าอัลฮัมดุลิลลบิสมิลลาฮิระห์มานรีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับิลอาลมอัรหมานรีมมาลิกีย อียากานอียาถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยให้ใกล้เคียงที่สุดก็คือแค่อัลลอ์เท่านั้นเองมีเพียงพวกอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอียากาะบูดูที่เราจะถ้าปกติจะแปลว่าเขาุกสักการะส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะความหมายมันเข้าใจยากนิดหนึ่งคือแปลถูกแปลถูกแต่ผมคิดว่าควรจะใช้คำที่เข้าใจง่ายกว่านี้ ควรจะใช้คําว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอทําให้รักแล้วพอใจเอาเพราะคาว่าอีบานะคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมรรคและพอใจเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าถ้ามุสลิมเราตั้งเป้าหมายตรงกันว่าเป้าหมายสูงสุดของบุคคลที่เราอยากจะให้รักมากที่สุดคือองค์นี่แหละคือมุสลิมหมดด้วยนะครับพเพราะโดาเฉพาะบางครั้งอ่ะบางทีอย่างผู้ชายเวลารักผู้หญิงสักคนมากๆ ผู้ชายที่เป็นคนดีเป็นผู้ซินที่ดีนะครับ <c oughs> เวลารักผู้หญิงสักคนมากๆแล้วผู้หญิงไปชวนให้ทําสิ่งที่เป็นฮารองอาจจะชวนให้ทำซีแนหรือว่าชวนไปสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ฮารอง <c oughs> ไปเข้ า, าผั บ, ผบไปเข้าเทคหรือว่าไปกินเหล้าเดี๋ยวนี้ไม่มีเทคแล้วมัครับไม่นะครับสากโบราณนะ <c oughs> เดี๋ยวดูเลย ร, รู้อาย <c oughs> ุเลยนะครับบางทีผู้ชายก็จะต้องเลือกนะเงี้ยจะทําให้ใครพอใจ ถ้าไม่ไปผู้หญิงไม่พอใจแน่แต่อรรพพอใจแต่ถ้าไปผู้หญิงพอใจแต่อลรรไม่พอใจตรงนี้แหละจะเป็นตัววัดพระประโยคตอนที่เราอ่านตอนละหมาดเนี่ยที่เราบอกว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอทำไม่พอใจเนี่ยเราจะสอบผ่านแค่ไหนคือไม่มีใครสอบผ่านหลายเซนเเหรอกครับทุกคนมันก็ต้องมีพลาดผมก็มีบางเรื่องก็รู้ทั้งรู้แต่ว่าทําไปอลารรไม่รักแต่นับสูย มันมีกันทุกคนเพียงแต่ว่าอย่างน้อยนี่คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือบุคคลที่เราอยากจะให้รักและพอใจเรามากที่สุดในโลกนี้คืออะไรตั้งเป้าหมายให้ชัดคือพอเป้าหมายชัดเนี่ยมันอาจจะเกณฑนไปบ้างแต่อย่างน้อยเป้าหมายมันชัดอยู่แต่ถ้าเป้าหมายไม่ชัดปุ๊บมันจะเดือนละมันจะมีปัญหาแล้วราทวปัจจุบันเนี่ยมุสลิมหลายท่านมีปัญหาเรื่องการเป็นโลกสูงเศร้า คือบางคนแบบฉันเจอปัญหาแล้วฉันไม่รู้จะผ่านปัญหายังไงฉันอยากอยู่ตัวคนเดียวฉันไม่อยากไปเจอพี่คนเลยก็ตามเพราะว่าเป้าหมายของเรามันหายจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าหนึ่งในชื่อที่เหมาะกับมากที่สุดชื่อว่าฮุนมาหมู่ฮามานคือบุคคลที่อยู่ได้ด้วยกันมีเป้าหมายที่ชัดเจนพระนามซิมเป้าหมายที่ชัดเจนก็คืออาญาเนี่แหละอิยาการนาบุดุอัลลอฮ์เพียงคู่เดียวเท่านั้นที่เราตั้งเป้าหมายไม่ว่าอยากให้พวกรักแล้วปล่อยใจ เพราะเราจะทำดีกับใครก็ตามบนโลกถ้าใครก็ตามที่อาย่านี้ชัดเจนนะครับจุดยืนจะชัดเจนเวลาทําดีกับใครแล้วโดนหักหลังเราจะไม่เสีเยดเท่าไหร่เพราะพวกเราไม่รู้ว่าใครใครโดนหักหลังมาบ้างนะครับบอกว่าน่าจะมีบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะกับคนที่เราไปทําดีด้วยแนตะ่บางคนเขาเดือดร้อนเคยเดือดร้อนมามาขอไม่มีใครช่วยแล้วไมให้ความชื่อเหลือแล้วพอถึงเวลาเขาอาจจะไปด่าเราลับหลังไปนินทาเราลับหลังหรือบางทีมาทําร้ายเราต่อหน้าเลยก็มี บางทีเราก็จะรู้สึกว่าทําไมทาตัวอย่างนี้ทำไมเวลวร้ายอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าที่เราช่วยเขาเราอยากให้เอาร้อรักนะต่อให้เขาหักหลังเราชีวิตเราไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้เพราะเป้าหมายไม่ใช่คุณที่เราให้อาหารคุณเราให้ความช่วยเหนือคุณเราทําอะไรดีกับคุณเนี่ยเพราะเราหวังความเมตตาจากเอาร้อนเรากลัววันที่เอาร้อนจะโกรธยิ่ง เราก็จะทำดีถ้าคิดอย่างนี้ชีวิตมีความสุขขึ้นไหมมีความสุขขึ้นเพราะว่าจุดดีเราชัด mm hmm. อียากานาบูดูนี่คือความหมายของคาว่าอียากานาบูดูก็คือเป้าหมายสูงสุด ข, ของเรา mm hmm. คนที่เราอยากให้รักคนที่เราอยากให้พอใจมากที่สุดคืออัลลอฮฺว่าอียากานาสไจนวรนี้ mm hmm. ล้อมาจากวรกแรกวรกแรกบอกเราอยากแยล้อพอใจเท่านั้นและเวลาเราจะร้องขอความช่วยเหลือ เราก็จะร้องขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เท่านั้น <c oughs> นี่คือประโยคที่มุสลิมเราสมควรที่จะต้องพูดทุกวันที่ว่า h ัสบุน a l ลอ h hasbunallah วันนี้อามานวากิลนี่เป็นประโยค์ที่ผู้ศรัทธาเราสมควรที่จะต้องพูดบ่อยๆเราพูดทุกวันโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกท้อแท้เวลาที่เรามองไม่เห็นทางออก hasbunallah แปลว่าอะไรครับ เพียงอัลลอฮ์ก็พอเพียงแล้วสําหรับฉันคือขอแค่มีอัลลอฮ์ขอแค่อัลลอฮ์ยังรักฉันอยู่เนี่ยก็พอเพียงแล้วสำหรับฉันหัวเนี้ ย, ยนนมันหัวจีนมอบหมายกับอัลลอฮ์เนี่ยคือการมอบหมายที่ิีที่สุดแล้วพัศวงอัลลอฮวันนี้ยมันหัวจีนถ้าประโยคนี้เราพูดเป็นประจำในทุกปัญหาชีวิตของเราเราจะมีกําลังใจในชีวิตมากขึ้นแล้วเราจะมีทางออกมากขึ้นสังเกตดูมันจะสอดคล้องกันหมดเลยรรเรสุลฺอัลสัตติย เดี๋ยวเราไปสานไป。 เป็นประโยคที่ยืนยันถึงจุดยืนของพวกเราทุกคนแล้วก็มีประเด็นมีประเด็นที่ว่าจำเป็นต้องเกรียดแล้วบอกว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เท่านั้นถูครับอันนี้คือความเชื่อของมุสลิมเห็นด้วยไหมเอยแล้วถ้าเกิดอย่างเราไม่สบายเราไปขอให้ใครช่วยครับหมอ<า>อ๋อแล้วผิดหรือเปล่าครับเราละหมาดเราบอกเราจะขอให้อัลลอฮ์ช่วยอย่างเดียวแล้วเราไปขอให้หมอช่วยเนะี่ถือว่าผิดไหมครับ ครับถ้าไม่ถือรักษาเพืการรักษาครับเพื่อเพื่อเอาชีวิตตัวเองเพื่อจะให้การรักษาที่ถู้แต่เราบอกเราจะขอแต่ล่องเดียวใ่ไนี่ขอในเรื่องการช่วยเหลือแต่ว่าวิธีการเนี่ยเราจะสรรหาให้ใครเข้ามาช่วยเราโดยการที่จะให้เป็นผู้รักษาไปหนะหมอไม่ได้คะหาชจุดนี้เป็นจุดที่ว่าบางครั้งมุสลิมเราขาดตอนเราขาดตอนเอออหยินิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เรยตรงนี้มีสจุดมีสจุดตอนนี้เราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือเรามั่นใจว่าผู้ที่ช่วยเหลือได้คืออัลลอฮฺแต่ทีนี้การช่วยเหลือของอัลลอฮลลอฮฺจะช่วยเหลือโดยที่ว่ามันต้องมีเหตุมีผลตามปกติแล้วการช่วยเหลือของเราต้องมีเหตุและมีผลอย่างถ้าเราไม่สบายอยากหายไข้เราก็ต้อง เราก็ต้องรักษาเราก็ต้องไปหาหมอแปล่มื่อซีมเรามั่นใจว่าตอนเนี้ยฉันไม่สบายฉันอยากจะหายไข้ฉันอยากจะให้เอาล้อรักษาฉันโดยฉันได้พยายามไปหาหมอแล้วก็ได้ทำการรักษาแล้วโดยเรามั่นใจว่าผู้ที่ให้หายมีเพียงหลอดะ้อเท่านั้นไม่ใช่หมอที่ผมบอกมื่อซีมเราขาดตอนเนี่ยหลายครั้งเวลาเราไม่สบายเนี่ย ตรงนี้เราหายไปถูกไหมครับตรงนี้เราหายไปหายไปอย่างสิ้นเชิงจากหมอล้วเลยคือถือว่าเราไม่สบายปุกฉันต้องไปหาหมอหมอต้องรักษาฉันได้ทํำไมฉันกินยาแล้วฉันไม่หายหมอคนนี้หมอไม่ดีหรือเปล่าทำไมไม่เก่งหรือเปล่าทําไมเป็นอย่างงั้นทำไมเป็นอย่างนี้นนอนพอหายปุกหมอคนนี้เก่งเหลือเกินดีเหลือเกินอันนี้หายไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้หายไปแล้วคําว่าอี้ยากราสเซนมันหายไปแล้วผมก็เลยว่าประโยชน์ฟาติฮะเนี่ย ประโยคที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือการที่เราไปขอให้คนอื่นช่วยเราเนี่ยเราขอในส่วนที่เรามั่นใจว่าเขาจะช่วยเราได้ด้วยความเมตตาของเราอย่างถ้าไม่สบายจะให้ไปหาพ่อค้าขายเสื้อผ้ามันเกี่ยวกันไหมครับเพราะว่าจะรู้แต่ว่ามันมันไม่ตรงนีคือไม่สบายก็ต้องไปหาหมอไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ต้องไปหาพ่อค้าแต่พ่อค้าที่ว่าขายเสื้อผ้า หิวข้าวก็ต้องไปหาคนที่ขายกับข้าวคือความช่วยเหลือของอัลเนี่ยมีในหลายรูปแบบอัลลอฮ์ช่วยให้เราอิ่มผ่านอาหารที่เราไปซื้อกับพ่อค้ามาอัลลอฮ์ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกําลังกายอัลลอฮ์ช่วยให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บผ่านการที่เราไปหาหมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุสลิมต้องย้ําเวลาอัสรับฟาติฮะอย่าให้ตรงนี้หายไปอย่าให้เหลือแค่ตัวนี้ เพาะเมื่ไหรก็ตามที่เหลือแค่ตรงนี้เราจะเพียนแล้วอันนีอาจารย์คำนึอันนี้ตอบเหรัญญิกาการนสัสไซไม่ได้ห้ามเราจากการขอคนอื่นแต่เป็นการตอบย้ำมุสลิมให้รู้ว่าเมื่อเดือดร้อนบุคคนแรกที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือและเป็นบุนคคลสุดท้ายนั่นคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอนนี้ฉันไม่สบายฉันอักเสบฉันไม่สบาย เ, เดียวเนเดียฉันไปหาหมอพนนี้เขาว่าหมอคนนี้เก่ง น่าจะรักษาได้ถูกเพราะทนบีบอกว่าถ้าไม่สบายให้รักษาและนบีบอกว่าทุกโรคนั้วมียารักษาถ้ายาถูกกับโรคมันก็จะหายด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อันนี้คือที่ท่านนบีบอกไว้ก็แปลว่าแม้ที่ขุมมุสลิมไม่ใช่บอกว่าฉันมอบหมายต่อรอไม่สบายทุกฉันไม่ไปหาหมอถ้ารอใช้ฉันหายเดี๋ยวมันก็หายเองอันนี้ถือว่าผิดเพราะอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างมีเหตุและผลของมันนอกจากบางเรื่องที่ว่าอัลลอฮ์ให้เป็นมุจจิสซาแบบว่าเราไม่สามารถหาเหตุและผลได้เลย าบางครั้งเวลาเราไม่สบายอ่านคำพูดของละอัดคุรานอ่สสานสุรฟ้าเทียบบางครันงอ่านเทียบเจ็ดครั้ง10ครั้งแล้วก็อ่านเป่าข อ, อาารัวเจ้าเราบอกว่าเราขอให้ช่วยหายที่ฉันเจ็บปวดที่ฉันทรมานบางทีเราให้หายละล้อยหายได้ไหมครับได้มันเป็นสิบธองก็คือจะใช้รูปแบบไหนก็ตามเอาละมีรูปแบบที่ใช้ความช่วยเหลือเราทั้งรูปแบบที่เราเข้าใจกับรูปแบบที่เราไม่เข้าใจ เพราะฉะนนหน้าที่ของเราเราต้องพยายามทําตามรูปแบบที่เราเข้าใจก่อนส่วนรูปแบบอื่นความช่วยเหลือขอร้องข้าชมาสนะั้นถุอความไม่ตามของเราย้นคําว่าอียาการณสตีนเฉพาะ Allah ท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเคลียงนะครับมันมีตัวอย่างไหมจ๊ะครับเช่นครับนั้นน่าจะเป็นเป็นเ ป, นเปนอุตราหองกรณีที่อันนี้พูดถึงกรณี ข, ขับรถครับไปเสียระหว่างทางครับสิ่งแรกที่เราคุยเราจะคิดถึงนใครก่อน เราจะไปจช่างคนนั้นช่างคนนี้ใช่ไหมจริงๆ<ช>เราต้องขอต่อรอ้องก่อนต่อร้องขอ้าง <S an> <S an> ในรดชั้นสี่อ่ะขอความช่วยเหลือจากพงษ์แล้ ว, งวพงษ์จะให้ส่งช่างมาหรือส่งในอันนั้นเป็นเรื่องของอัสตราเตียเราจะส่งมามันแยกเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีเราไม่เข้าใจว่าการช่วยข อ, ขอความช่วยเหลือพบเนี่ยเราไปคิดถึงมครูก่อนเราไม่ได้คิดถึงในสิ่งที่ผู้สร้างซึ่งผู้สร้างเป็นผู้โดนบันดาลให้มรรคมาช่วยเรามองในแง่ของการที่จะเป็นผู้ซึ่งให้อนุญาต สิ่งเหล่านั้นมาช่วยเพรา ะ, ะมันก็ตรงกับที่ท่านอบีบอกไว้ว่าพวกท่านจงรู้ไว้ว่าต่อให้คนทั้งโลกมารวมตัวกันเพื่อจะช่วยพวกท่านถ้าเราไม่ให้ช่วยได้เขาก็ช่วยไม่ได้โรคภัยบางอย่างคือต่อเอาหมอเก่งที่สุดระดับแนวหน้าของโลกมารวมกันเท่าเราไม่หายมันต้องหายแน่นอนผมแนะนำจะจะตอนตื่นที่บ้านจะมีสามศาสนาคิดกันเพราะว่า ที่ยากของเด็กชายก็คือซียน่วยเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกชายปนคนันาเป็นทหาแล้วลูกสาวก็เป็นคริสเตียนคือไม่ปิดกั้นค่ะเวลามีเิจการก็ลูกจะกนหมูก็คือเราเราเราไม่กล้าจพูดว่าเขาอาจจะจับช่วงอันเลาะเพราะเายังไม่เข้าใจในศาสนาใช่ไหมคะก็พยายามส่งส่งแบบอัศวเมือเลยภูมเป็นความปลอรให้ลูกทุกวัน ตอนนี้ก็กําลังขอดุอาให้ลูกทั้งสองคนให้อรอเปิดใจให้เขาถ้าเราอุราอย่างนี้นะค่ะอ่าก็อยากให้ทุกท่านช่วยดุอาช่วยลดไปเพราะว่ารถห่วงเขาหัวแบบไปในโลกของของนรกอะไรอย่าเงี้ยค่ะที่ความเป็นแม่เนาะเพราะเราไปเห็นตรงนี้แล้เราเป็นความศรัทธาที่มีอิหมังที่มากค่ะก็ต้องขอบคุณทุกอย่างที่ที่พระองค์ประทานมาสกีหน้าที่ของเราเราทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดค่ะ คือผมสะดุ้งตรงคําว่าไม่ปิดกัน้นมันมีความหมายหลายมุมมองมันมีความหมายหลายในยามท่านก็เป็นมวลรับเข้ามาท่านปเป็นตัวเป็นถุงลูกในจุดนี้ก็คือว่าหน้าที่ของเราคออือจุดแรกที่เราควรจะต้องทําให้ได้ก่อนคาใจอันแรกคาใจเพราะล็อกล่าวในกรณีว่าในใ ก, กล้แลนด์ได้ินมาบาดาัาบว่าอ่บ้าไดคือคุณไม่สามารถที่จะให้ทางนำคนที่คุณรักได้แต่เรากคือให้ทางนำ คือคนเป็นพ่อคปนแม่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ทรมานใจสุดๆในการที่เราเห็นคนที่เรารักโดยเฉพาะลูกเขาอยู่ในจุดยืนที่อันตรายใช่ครับเชิงแต่ว่าที่ผมอยากให้ทำก่อนลำแรกก็คือทำใจไว้ระดับหนึ่งว่าคนแต่ละคนต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาหลังจากนั้นก็คือดูอาห้ามขาดไม่ควรคนเป็นแม่ยิ่งรักลูกดูอาเขาไม่า คือไม่ต้องให้ลูกรารับตัวว่าเราขอดนะเอลให้เขาแล้วกันที่สามก็คือทําเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเพราะว่าผมเจอหลายคนหลายคนจริงๆครับทั้งทางเชิงราแล้วก็หลายๆที่ลูกคือแม่ไม่ใช่มุสลิมลูกก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็แม่ศรัทธาพขารัอิสลามแล้วก็ทำพฤติกรรมที่ดีให้ลูกเห็นทำเห็นทําเห็นเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าลูกรู้สึกว่ามุสลิมนี่ดีนะไม่เหมือนที่ฉันเข้าใจแล้วเระบอิสลามมีหลายครอบครัวครับคุณคนคนค น, น้องนะคะ <Okay. S 2> คือทิ่เกยียนจะใกล้กับโมซินใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ก็กำลังท้องคนที่สองับ <Okay. S 2> ก็ตอนแรกไปซาวบอว่าเป็นผู้ชายทีนี้ไปซามคนที่สองก็คือเขาขาบนกับกับอชาว่าแม่อยากไป้ลูกสว mm hmm. าวไอ้เชก็เลยบอกว่าก็ขอลอสีดน้อง <Okay. S 2> ไอ้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากพระเยซูอะ อ่าลองลเปลี่ยนใจดูมันยังไม่รู้จักอเล็ระช่างแต่ก็ลองว่าพระองค์ลูกลูกเป็นลูกสาวของของคนแม่คนนี้แล้วแม่นับถือบุสลิมท่าดูอาผ่านนะให้ลูกสาวอ่ะให้อเล็กประธานอ่ะลูกสาวให้เขาอ่ะเขาก็เป็นสาวพอเป็นสาวตอนนี้ปิดบางเพศอยู่แล้วเราก็บอกว่าน้องอาร็กลองลองของพระองค์นะท่าผมว่าได้ลูกสาวอ่ะให้เปลี่ยนใจ เขาจะเปลี่ยนศาสนาเลยเขอย่างนั้นเลยเหรอเขาเขาเขาตั้งใจแต่แต่ว่าเราก็บอกว่าเออเอนชาเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ก็อย่ามามาแบบบังลุงโมห์นะไม่ได้นะผมเจออีกเคสท้ายที่กันก็คือก็ติงคยคือถ้าเราไปอิงกับปฏิหารนะครับมันมันเป็นดาบสองคมเพราะที่ผมเจอก็คือมีคนคนหนึ่งที่ว่าเขาศึกษาระทุกศาสนาแล้วเขาไม่สบายเขาก็เลยวนไล่มาเลย วันนี้เขาบนของกุศลวันนี้บนของอิสลามอีกวันบนของคริสตแล้วอลัลลอฮ์เขาหายตอนที่บนกับคริสเขาก็เลยว่างั้นคริสต้ตองเป็นาศาสนทอยู่ต้องและฉันขอเป็นคริสเตียคนผมกล่าวว่าการที่เราไปยึดกับปฏิหารมันเป็นดาบสองคมเสี่ยงเสี่ยงคือถ้าเกิดอัลลอฮ์มีตาก็รอดก็ได้สิ่งดีไปแต่ถ้าขอโทษจอร์ลอร์เขาไม่ได้สิ่งดีเลยเดี๋ยใช้สิ่งมรเป็นสิ่งแรกเปลี่ยน เขาศรัทธาเป็นหลักลเ ร, รื่องการเลิกเปลียนเพราะอะไรย่างนี้วันนี้สิ่งที่ขอฝากไว้ที่เราพูดคุยกันทั้งหมดนะครับในส่วนของสรอฟัตยาเรามาถึงอายะที่สี่ขึ้นแห้งขึ้นแห้งนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่อยากจะขอฝากกันก็คือถ้าเวลาที่เราคิดจะทําอะไรเราเดือดร้อนหรือว่าเราอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนขอให้คิดถึงเร า, าเป็นบุคคลแรกไม่ต้องเป็นประโยคยาวก็ได้สั้นๆก็ได้เช่นเอาโอว่บัส บิสมิลลาห์รือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มันมีที่ว่าให้เัาลอบมาเป็นอันดับหนึ่ง แล้วที่เหลือก็ขอให้เป็นรูปแบบที่เราใช้ภาัาที่เหลครับผมตอนนี้อนันปิดระชุมแล้วก็ไประหมาดกันนะครับผมจะขอขอบคุณขอรำลึกนะพวกเราทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อน่มาร่วมช่วยกันทาให้เกิดการเรยนรู้ที่ดีนี้มีความบารแล้วก็ขอให้อนันต์นั้นให้สิ่งที่เราทำอยู่ในตาชงที่ดีรได้เกดครับอนปิดระชุมนะครับซุ่หารก็ normal ทำดกอัชฌาละอิไลละอิสซาบะกูไสลวัยอัลบกันครับครังนี้จะเป็นส่วนของ